เรื่องรับคำที่จะเข้าจำพรรษาหลังข้อสองภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุรับคำไว้ว่าจะเข้าจำพรรษาในวันเข้าพรรษาหลังภิกษุนั้นไปอาวาสนั้นทำบูชดกรรมภายนอกถึงวันแรมหึงค่ำจึงเข้าวิหารจัดเสนาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้กวาดบริเวณไม่มีกิจจำต้องทำหลีไปในวันนั้นทีเดียวภิกษุทั้งหลาย วันเข้าบรรษาหลังของภิกษุนั้นไม่ปรากฏและภิกษุนั้นต้องอบัตรทุกกฎเพราะรับคําภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุรับคําไว้ว่าจะเข้าจมัสษาในวันเขา้าพรรษาหลังภิกษุนั้นแปลอาวาัตนั้นทำอบูสถกรรมภายนอกถึงแรมหนึ่งค่ำจึงเข้าวิหารจัดเสนาสนะตั้งน้ําฉันน้าใช้กวาดบริเวณมีกิจจําต้องทําหลีกไปในวันนั้นทีเดียวภิกษุทั้งหลาย วันเข้าพรรษาหลังของภิกษุนั้นไม่ปรากฏและภิกษุนั้นต้องอับัตบทุกกฎเพราะรับคําภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุนั้นรับคําไว้ว่าจะเข้าจำพรรษาในวันเข้าพรรษาหลังภิกษุนั้นแปลว่านั้นทําอเ บ, บสถกรรมภายนอกถึงวันแรมหนึ่งคำจึงเข้าวิหารจัดเสนาสนะตั้งน้ําฉันน้ําใช้กวาดบริเวณพักดู่สองสามวันไม่มีกิจจําต้องทําหลีกไป ภิกษุทั้งหลายวันเข้าบรรษาหลังของภิกษุนั้นไม่ปรากฏและภิกษุนั้นต้องอาบัติเพราะรับคําภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุรับคําไว้ว่าจะเข้าจําพรรษาในวันเข้าบรรษาหลังพักอยู่สองสวันมีกิจจําต้องทําหลีกไปวันเข้าบรรษาหลังของภิกษุนั้นไม่ปรากฏและภิกษุนั้นต้องอาบัตทุกกดเพราะรับคําภิกษุทั้งหลาย อ 1. ในกรณีนี้ภิกษุรับคําไว้ว่าจะเข้าจรบรรษาในวันเข้าบรรษาหลังพักอยู่2อถึงสวันหลีกไปด้วยสตตหะกรณียะอยู่ภายนอกพ้น7วันภิกษุทั้งหลายวันเข้าบรรษาหลังของภิกษุนั้นไม่ปรากฏและภิกษุนั้นต้องอบัตทุกกฎเพราะรับคําภิกษุทั้งหลายอัหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุรับคําไว้ว่าจะเข้าจรบรรษาในวันเข้าบรญสระหลัง ภิกษุนั้นไปอาวาตนั้นทำบุโบสตรกรรมภายนอกถึงวันแรมหนึ่งค่ำจึงเข้าวิหารจัดเซนาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้กวาดบริเวณพักอยู่ 2-3 ถึงวันหลีกไปด้วยสตหกรณียะกลับมาภายใน7วันภิกษุทั้งหลายวันเข้าบรรษาหลังของภิกษุนั้นปรากฏและภิกษุนั้นไม่ต้องอาบัติเพาะรับคาภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุรับคาไว้ว่าจะเข้าจาบรรษาในวัน เข้าพรรษาหลังอีกเจดวันจะครบสี่เดือนอันเป็นวันที่ดอกโกมุตบานมีกิจจําต้องทำหลีกไปภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นจะกลับมาอาวาสนั้นหรือไม่กลับมาก็ตามภิกษุทั้งหลายวันเข้าบรรษาหลังของภิกษุนั้นปรากฏและภิกษุนั้นไม่ต้องอาบัติเพราะรับคําภิกษุทั้งหลายอหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุรับคําไว้ว่าจะเข้าจําบรรษาในวันเข้าบรรษาหลัง ภิกษุนั้นไปอาวาสนั้นทําอุบสวดกรรมถึงวันแรมหนึ่งค่ำจึงเข้าวิหารจัดเสนาสะนะตั้งน้ําฉันน้ําใช้กวาดบริเวณไม่มีกิจจําต้องทําลีกไปในวันนั้นทีเดียวภิกษุทั้งหลายวันเข้าบรรชาหลังของภิกษุนั้นไม่ปรากฏและภิกษุนั้นต้องอบัตทุกกดเพราะรับคําภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุรับคําไว้ว่าจะเข้าจําบรรษาในวันเข้าบรรชาหลัง มีกิจจำต้องทำหลีกไปพักอยู่สองถึงสวันไม่มีกิจจำต้องทำหลีกไปพักอยู่สองถึงสวันมีกิจจำต้องทำหลีกไปพักอยู่2ถึงสวันหลีกไปด้วยสัตหะกรณียะอยู่ภายนอกพ้นเจวันภิกษุทั้งหลายวันเข้าบรรษาหลังของภิกษุนั้นไม่ปรากฏและภิกษุนั้นต้องอาบัตเพราะรับคาพักอยู่ 2- ถึงสมวันหลีกไปด้วยด้วยสัตหกรณยะ กลับมาภายใน7วันพิกษุทั้งหลายวันเข้าบรรษาหลังของพิกษุนั้นปรากฏและพิกษูนั้นไม่ต้องอบัตรเพราะรับคําภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุรับคําไว้ว่าจะเข้าจำพรรษาในวันเขา้าพรรษาหลังพิกษูนั้นแปลอาวาสนั้นทําอบูบสนกรรมถึงวันแรมหนึ่งค่ำจึงเข้าวิหารจัดเสนาสนะตั้งน้ําฉันน้ําใช้กวาาบริเวณอีก7วันจะครบ4เดือน อันเป็นวันที่ดอกโกมุตบานมีกิจจาต้องทาหลีดไปภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นจะกลับมาอาวาสนั้นหรือไม่กลับมาก็ตามวันเข้าบรรษาหลังของภิกษุนั้นปรากฏและภิกษุนั้นไม่ต้องอาบัติเพราะรับคำวัดสูปนา ย, ยิกขันธกะที่สจบ